อีเยมือเป็นขุนชิงหาทำเดือนติอเขาเลยว่าเดือนติดแห่งเดือนติดแห้นงนี่เป็นประเพทนี่เทาก็บ ม, มือบุญเขาศาสตร์ภาษาปากกางกลัวพันศาพันศาไทเป็นมือที่ข่ำบุญ เป็นพุทธศาสนิคชนพุทธบริษัท น, นิยมท่าบุญกัน ท, ทํามบุนอุทิศส่วนกุศลให้แกทรัพย์สัตว์ทั้งหลายที่ร่วงหล่ไปสรัพย์สัตว์ทั้งหลายตัวไปบาวาัวพายที่มันตายไปแล้วเป็นพานไปแล้วอันเม้นมืออันเขากระดับดินอันดิพานมาอันเดือนเก้าจับ แค่ศีหาคำเดือนเก่าต้นดับถ้าบุญอุทิตย์ขึอนกันแต่ว่าอุทิตส่วนมากมุ่งเจาะจงไปห่หันหยาดกินนองเจ้าของตายแล้วนี่แต่ว่ามือวัน่นศาสเนี่ยมันบุญเขาศาสเนี่ยอุทิศานไปแล้วทั่วไป่เมื่อสัตว์สัตว์ต่างหลายที่ละโลกนี้ไปแล้วเมื่อถูกคนเมื่อถูกตัวถุกต่น เห็นนท่าบุญเมื่อนี่ขึ้นแต่ทำอิดแยกมือเกี่ยวกัมือนั้นม่อนันศักราะเป็นการทาบุญการท่าบุญนี่เราไ่ได้เจาะจงนะสำหรับพุทเบริตาทองทำอะไรสุดยอดบุญเนี่ยไม่ต้องไปหาเลือกซะก่อนเนอบุญได้น้อยบุญได้ใหญ่เฮ็ดมันมัดมือวันธรรมดา ว่ามีมือพิเศษก็ได้นัดไม้เปนพิเศษเช้นกันใส่บาทใส่บาทใส่พกนี่หละซือ ม, มือได้ยังกัมาใส้ดอกใส่บาทนี่ยเราต้องหาใจเอาได้เนี่ยดีๆท้องกินดีๆสะกวันเขาดเขาดูเขากิน อ, อย่งนั้นแหละสามารใส่บาทถวายเป็นทานเป็นพระาหารคือทังากินเข่าในหน้าข้ากระดินเขาซุ ม, มือ ฮาโลมือจะกินซับเนี้ยเนี่ยหนึ่งฮาลมือจะกินซับเนนึง่มันบวกกันดอกไว้พาหาไตบาดปักหนึ่งแตเอันเนี้มันกินได้ไ่ะเนียเากินอยกินกนี่แห่ะมัสไก่เรต้องหาอาหารพิเศษอาหารพิบ อ, อาหารเชิ่เพงดอกอารนคิดว่าเอาเใจใจเนี่ดีๆสะกอนอาหารคลีบสักคนยังคอยเตือนสีมัสไก่าบาดจริงจ โอ้ยอแบบงเงี้ยแมงเคยแย่เลยว่ะประิษาแค่อาหารพิษบาทนี่ยคุดเนี่ยมาไม่หมดอะไรยังไม่แก่เขาคือสมมติใจบาดจะเป็นกินได้เป็นชันได้ก็ย่างชีวิต้นได้ใชได้ละดูสไหนเข้าน้อมใจใส่การเท็ดบุญทุกอย่างน้อมใจใส่นํำไปเห็นว่ามันเป็นบุญอีนนี้เป็นพุ่มเบิกบานใจเข้าอีนี้ได้ในหลายๆคนบุญ จะทำบุญได้สวยงามนอกจากใส่บาทรแล้วถวายซิงถวายของอย่ยงเล็กๆ น, น, น้อยๆก็ได้อันที่ค น, นจำเป็นแต่ขู่ขนทุกทุ ก, ทกยากยากมากเท่าช้อยเนื้อเขาเนี่ยจะเป็นบุญเพือกันารอะไรทำเมิดอทำบุญน้อยรถไปฟกว่านั่นไงเห็นสัตว์สัตว์เห็นหมูเห็นหมาเห็นเป็ดเห็นไก่เห็นเนี่ ย, ม, ม, นนยมัน ดูเนี่ยดูเนี่ยมันเบือดมันร้อนซอยเหนือมันมันบาดมันเจ็บนี่สิซอยตัวดซอรักษามันนี่สิมันของมันข่ายังไปกดให้มันนี่สิเอาเข่าให้มันกินนี่สิเนี่ยมันเป็นบุญมันน่ะหละนี่มันเกิดค้อมดีใจเบิกบานใจในห้องนี่แหละนั่นแหละเป็นบุญแล้วนี่ในคณะมีโอกาสดีๆข้ามบุญใหญ่ เอกระท่อมคงเส้นวาแมไในสิเด็ดดีกับพ่อกับแม่ในบุ่นในรูเปิลในหาแนลยูแนลินไปให้คนในซอยดูแลเรื่องค้อมเป็นค้อมยูเอา้องใต่ในซอยเอาเงินเอาทองไปให้คนในเก็เหมือนแห่เป็นบุญใยแค่เนี่ยเพราะว่าพ่อแม่นี่บุญกรเพาะมังกรในเ็พบุญกระพานนะพมัร เทาได้ไปเหตุสุนทรอบแท่นเป็นบุญใหญ่พระพุทธเจ้าพระระเชิญว่าผู้ได้หุจักบุญคุ้นค้นแล้วก็ตอบแท่นนั่นล่ะเป็นคนดีเพื่อนเป็นบุญใหญ่เท่าจับไต่โอกาสถ้าบุญใหญ่จะถ้าบุญใหญ่มันเกิดมือเกิดของคอของแม่ท้าบุญขันมือได้บุญขันห้าคนตายไปแล้วถ้าบุญบุติศเพิ่นยังศิษ เอาคุดใดยันได้ให้พร้อมอยันได้ทั้งข้าบุญอุทิศไปเหตุพ่อเหตแม่คู่มีบุญมีคุ้นกับเขา้า น, นั่นแหะเฮ็ดตัางใจเฮ็ดเข้าคุดว้าโอ้เพ่นไปแล้วเนาะเป็นเห็ดบุญยู่ทั้งโลกนีบ่ได้แล้วอาชีดบ่ได้กป็นชื่ผู้เท่านี้แล้วนางมีงเงื่อนคือนๆ อ, ออกไปเหตุไทยเห็ดหน้าบ่ได้ลูกไป็นหุ้นเขาหนึ่งเขาบ่ได้เขา้าเป็นลูกเป็นหลานก็บไปเฮ็ดแท่นีห้หาข่าวหานา เฮ็ดไทยเฮ็ดหน้ามากเฮ็ดเนือยู่เนื้อกินมาต่อสู้คนนึงแหละเข้าคฮดว่าเข้าเด็ดซอยนยังสันใจเขาแั่บาปเท่านันบซอยพอะแมดีใจเป็นคนตายไปแล้ว่าเข้าเฮ็ดุนไม่ต่นแล้วผู้ทิศไม่ให้เนี่ยเมื่อก็ดีใจนนดีใจเบิดบานใจหน้าหลับบุญบุญใหญ่ขนมเไ็นเฮ็ดัพอกระมนแห้งดีใจหลายแรีว่าบุญใหญ่ นี่นบุญเนี่เฮ็ดขเราได้อันนี้โอกาสเฮ็ดหลายเยอเฮ็ดน้อยบุญน้อยเฮ็ดบุญหลายเฮ็ดอย่าไปเลือกเฮ็ดเมื่อแต่มันวัดใจมันมากเฮาเฮ็ดเมื่อไ้เรื่องสั่นนี่สั่นเราเป็นบุญมันมีจะไปออกพรราแล้วเยอะอีกเดือนนึงก็เฮ็ดมื่นตอนได้ออกพรราพอออกพรตาแล้วห้องก็ดีมี ทอดตะขินวัดเท่าหนึ่งออกพาวันที่เจ็ดตุลาต่อตกินวันที่แปดตุลามีงาขึตะขินตะขินมีกระเป็นตะกินสามักที่มีพออ๋อสำรวยมนเป็นพุนา เ, เป็นประท่านสีนึงมันจะได้สีวมตะขินจะไปโม่น้าเพลนโม่น้าเพลนจะได้มาโม่ไว้วัดน่เอาซื้อมากสีลงไว้ปากเป็นผู้จัดนึ่ This is the diet.